จากเรื่อง 7 7 พฤศจิกายน 2532ณพุทธสถาน ฟังกําลัง 7 1 2 2 สามกำลังคือความระอายต่อบาปฮิวริพละสีกำลังคือความเกรง cựวต่อบาป โอตปะพละห้ Hintermering คือสติความละรึกได้สติพละหกกำลังคือความตั้งใจมั่นสมาธิพละอะไร น่ะเดาออกเลยนะขาดไม่ 4 อันนั้นรวมอันนี้เป็นตัวซอยละเอียดเข้าไปอีก เชื่อปัญญาตรัสรู้ของ 9 เราจึงกลายเป็นธรรมะที่มีธรรมะเป็นตัว <P an> เราจึงเชื่ออย่างที่เรียกว่าๆแล้วเราก็ไม่ได้ <aine> เพราะเชื่อในพระไตรรัตน์อ่าเออเออ นะมีกรรมสัทธาวิปากสัทธากรรมสกตาสัทธาอ่าแล้วก็ตถาคตสัทธา 4 สัทธาสัทธา 4 เพราะฉะนั้นเชื่อว่าวิบากมีวิบากคือผลที่เกิด ถ้าทำจบปั๊บก็เป็นวิบากในตัวจะ กรรมสึกกตัฐาศรัทธาเชื่อว่าเพราะเราไปทํากรรมอย่างนั้นไว้มัน แต่ไม่แน่ใจแล้วทุกวันนี้อาตมายังๆหน่อยซึ่งมันไม่เกิด แต่โดยทฤษฎีโดยหลักการโดยเนี่ยต้องทะรู้ค่า อาตมาเชื่อในกรรมสัตตะเชื่อในกรรมเป็นของของตน อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ตั้งความๆ ละบาปทั้งสิ้นละอกุศลธรรมแล้วก็ทํากุศลธรรมให้สมบูรณ์ 3 ดูก่อนภิสูจน์ทั้งทุจริตวจีทุจริตน่ะมโนทุจริตละอายต่อการ เออมันละอายคำว่าละอายนี่ไม่แรงเท่าอตัปปะอตัปปะนี่เกรงกลัวละอายเนี่ยมัน ถ้าอุตตปะแท้แล้วไม่กล้าทําบาปแล้วละอายยังกล้าทําบาปอยู่แต่รู้แล้ว ไม่โอตปะมันจะต้องขีดนั้นได้กลัวต่อบาปอตัปะมันจะถึงขีดนั้นได้กลัวต่อบาป ก็บอกว่าเป็นผู้มีความเกรงกลัวคือเกรงกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโน นะเมื่อกี้นี้มีความละอายมีความเกรง เพราะผู้ใดที่ยิ่งมีสติมีกําลังก็จะ ระลึกออกได้เพราะฉะนั้นสติยิ่งสติที่ยังไม่ตาย สติปัฏฐาน 4 เนี่ยรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรม 6 อริยสาวกใน 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 อธิศีลน่ะที่จิตอธิปัญญาที่อาตมาพยายามอธิบายน่ะให้เกิด อ่ามั่นมั่นคงไม่ใช่ว่ามันเป็นดื้อนะไม่ใช่ ถ้าตายแล้วเราจะไปเอาปัญญาที่ไหนมาเห็นความดับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความดับอยู่ก็เพราะเราเห็นความไม่เกิดอยู่ไปเอาปัญญาจิตเจตสิก เมื่อเราต้องการความไม่เกิดอะไรล่ะจะต้องไม่ให้เกิดกิเลสเมื่อ เหลือสอุปาทิเสสะสิ่งที่เหลืออันนี้มันก็ต้องมีอยู่มัน อย่างพระให้เป็นผู้ต้อยเป็นพระพุทธเจ้าก็เลี้ยง เพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อโลกานุกัมปายะเพื่อปโหชนหิตายะเป็นหน้าที่ สาุปติเสมันยังเหลือขันห้ายังเหลือขันธ์ 5 เมื่อเหลือขันธ์หน้ามันก็จะทุกข์มี ที่วาจะไม่มีแล้วฮะทุกข์ที่ฮะ ไม่ใช่ทุกข์นะจริงๆไอ้อ่ะ อ่าปกิณณกะทุกข์ทุกข์ที่มันเป็นความเอ่อไม่สมใจในอะไรต่างๆสหกะตัตทุกข์อ่าวิวาทะมูลกะทุกข์ตัวนี้ทุกข์ดับได้นะโดยเฉพาะฮะ สันเอ่อสันตาปทุคอ่าที่จะต้องเป็นความเผาร้อน แม้ก็ต้องยอมมันทุกข์มันอ่าก็ไม่ได้ทุกข์อะไรก็เออน่ะ เรานั่นก็มีปัญหาอะไรนิพพัตอะไรนะอะไรทุกข์ นี้ให้มันเราก็พูด 4 มีสภาพของและ แม้สมาธิกับผู้เป็นตัวจริงมาเสมอเพราะกําลัง 4ๆๆ เราจะฆ่าเราจะทำลายเราจะเบียดเบียนละอายเกิดจิตจะเบียดเบียนเค้าละอายลึกกลัวต่อๆ มันซับซ้อนไปมากตอนแรกๆเนี่ยเราจะกลัวเอามากๆเลย กำลังแห่งความกลัวต่อบาปนี่เป็นกําลังนี่ไม่ใช่ รู้จักๆเราจึงเกิดเป็นเทวดาๆ รู้โดยญาณปัญญารู้รู้จริงๆเลยว่าอย่างดี มันเปลี่ยนน่ะไม่เปลี่ยนก็จะประหารชีวิตเออประหารไปเอายิงเป้า แต่นี้อาตมาเห็นว่าไปถึงขั้นนั้นก็เลยเปลี่ยนเนี่ยน่ะจะไม่ไม่กล้าทําบาปๆนะสติ สติกับสมาธิก็ไม่ขยายความละวันนี้เราจะต้อง 5 มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีอินทรีย์ ปฏิบัติไปมันจะเกิดหิริเกิดโอตตัปปะที่รู้กุศล แล้วเราจะเป็นผู้ที่เราจะเป็นผู้ที่สามารถทํา ที่เราเองก็ได้ผลเราเองตามหลักอธิจิตอธิปัญญาเป็นถึง ในเรื่องปรมัตถสัจจะเป็นผลผลลัพธ์กายกรรม กุศเลกรรมอ่าเป็นจิตที่รู้ จะระทั่งธรรมเป็นชีวิตเป็น โดยเฉพาะได้ลาภได้ยศนานา จะมีตัวสํานึกเราควรขยันหรือไม่ควรขยันในจะมีตัวปัญญาตัว แต่เราก็ทําด้วยความสํานึกทําด้วยปัญญา เรเราก็ไม่ใช่ว่าจะอาศัยสิ่ง มันอร่อยทุกข์ๆพวกนี้ก็ไม่ใช่เป็น ที่จะต้องรั้งสันติที่จะต้องสร้างต้อง เราต้องการทําอันนี้อันนี้เราไม่ต้องการทําแล้วเราก็อยากจะไปตัวเร เข้าใจมันว่านี่จริงๆ ใครจะมาเป็นเจ้าเป็นนายใครจะมาสั่งมา โปรดดูตามๆ มีความพอใจที่จะทําเพราะมันสมควรทําตอนแม้เราจะไม่ชอบอย่างไรก็ตาม หรือยิ่งกว่านั้นเรายิ่งเป็นผู้รู้เป็นผู้ถนัด เนี่ยๆเข้าๆเราอยู่ด้วยกันมานี่เป็น เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันทุกอย่างดี มีหมดสังคปะวาจากรรมมันตะอาชีพไอ้อยู่ อ่าเราก็ทําหน้าที่สอนสอนน่ะใช่สอนน่ะเป็น ฆราวาสเค้ารับผิดชอบไปก็ตามในครั้งคราว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำ ซึ่งมันแต่ เอาไม่ได้เราก็ต้องรู้อยู่ๆ สร้างบ้านว่าเออจะบอกกูทํานั้นชั้นเท่านี้ มากไปแล้วก็ต้องพยายามจะใน คำว่าเป็นทั้งสิ้นของพระมอาจารย์ ที่มีทั้งเหตุปัจจัยมีทั้งเหตุปัจจัยที่ก่อให้เรานะที พอบอกศัตรูคุณก็คงบอกว่าไม่ใช่มิตรแต่อาตมา เขาจะแต่ๆแล้วมันไม่ใช่แสดงนะมันเหมือนก็ ตรึกดําริขึ้นมาอาการนึกคิดนึกการเคย 6 หรือ 7 ตัวปารมปารมปรารภแล้ว อารัมภอารัมภธาตุอารภธาตุแล้วก็นิคมธาตุปรกัมมธาตุธรรมธาตุถามธาตุนะทิติธาตุอุปกัมมธาตุเป็นอารมณ์อารมณ์ปรารภ อารัมมธาตุนิคคัมมธาตุก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงธรรมธาตุ แข็งแรงเป็นกําลังแล้วก็แข็งแรงเป็นลักษณะเต็มที่ของมันอ่า วิริยะวิริยารัมภะหรือเป็นความเพียรที่มีกําลังอ่าเป็น ทีนี้คุณมีความพลังอ่ามีปัญญาจะไปเห็นก็ ตรวจตราทิศทางรู้ทิศรู้ๆ เนี่ยกล่าวแล้วเมื่อกี้ว่าแม้แต่จะมีผู้ที่ เขาก็จะต้องมีเหตุมีผลฉลาดลูกรับรับลูกเห็นผู้เห็นรับอย่าง คือเค้าไม่มีเหตุผลอะไรให้เราหรอกมันเป็นอาฆาต รู้จะทําอะไรอวดทําร้ายหมด อย่าเห็นกันอย่ารําคาญกันเค้า ก็ที่จะสร้างโจทอันนี้ๆมันเป็นความดีที่ ตั้งแล้วเราก็จะต้องใช้เหมือนกันตั้งตาจะโค่นอย่างเดียวเลี่ยง ไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดจิตใจที่เป็นอกุศลจิตใดๆ ไม่ได้โกรธโกรธตอบเออก็ เรเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่านี่ก็เป็นเหตุปัจจัยนึงในพวกเราจริง แต่นั่นแหละวิบากมันมีวิบากตลาด มาจากท่าเตียนรู้จักความหมายนะว่ามาจากท่าเตียนหมาย เอ่อนิทานหมาป่ากับลูกแกะคนแก่คงจะเคยรู้กันน่ะ ตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้นะจริงแต่ไอ้คนนี้คู่นี้เท่านั้นน่ะหรือว่า 2 เพราะว่ากับคนอื่นก็ไม่มีเนี่ยต้องมีมาตรฐานมีศีล ไอ้คนนั้นเห็นไอ้คนนี้ โอ้ใครก็เคกหัวใครก็ <_ C 1> คนอื่นเค้าเค้าก็แกล้งทุกเออเวรภัยเราเองเนี่ยทนเอาต้อง คำว่าสุภาพนี่นะคนสุภาพเนี่ยก็คือสุภาพก็งาม ทำได้งดเร็วสุภาพอืดอาดๆ ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวอะไรดีไม่ๆนานาทําก็ไม่ไม่เป็นไม่อะไรอย่างนั้นไม่ใช่สุภาพทํา ไม่มีธรรมธาตุหรือไม่อู้คนอู้อู้อู้ไปงั้นน่ะไปทํางานที่ไหน คนไหนอู้เนี่ยเราจะรู้คนนี้มีจริตอย่างเงี้ยนะจริตแบบ นิสัยมันหยาบมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าชีวิต โพนี่ก็ไม่ใช่สุภาพว่าคล่องแคล่วนี่ไม่ใช่ มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเป็นเรื่องสําคัญระวางใจก่อนเลยถ้าเราเองระวังใจก่อนนะ ทักทายกันก็จะว่า อัตตานั่นเองมะละลามเราล่วงกูละอย่างเงี้ยหรือยิ่ง ตาเขียวเลยถลเลยคือลักษณะอาการก็โกรธหรือไม่ชอบใจก็ แสดงอาการอย่างนั้นอย่างนี้ออกมากับเราแล้วเราก็ เรา 5 ปี 8 ปีเออเขาคือเขา ทำปลงงี๊ซะอย่าทำเลยกิริยางี้พูดอย่างงี้ทำกิริยางี้อย่าทำเลยมัน เรเรเรเรเราก็วางใจก็วางใจแล้วเราก็รู้เค้าซะว่าเค้าก็ ถ้าเราก็ยังไม่ชอบอยู่เองกระทบสัมผัสกับเขาเมื่อไหร่เรา ฮ